วันนี้เป็นวันที่21เมษายนพุทธศักราช2555อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เป็นวันงานของหลวงพ่อวันเกิดนะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็เคยประกาศแล้วพูดแล้วพูดอีกว่าเราไม่ได้จัดงานเป็นจิตจาลักษณะเพียงแต่พี่น้อง ศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์มาเราก็ต้องต้อนรับขับสู้เมื่อแขกมาบ้านแต่จะให้หลวงพ่อมีดีกานิมนต์หรือว่ามีบัตรเชิญมาร่วมงานหลวงพ่อไม่เคยทำมาอยู่ที่นี่ยังไม่เคยทำเพราะว่าก็ไม่จำเป็นเพราะเราเป็นพระ ถ้าเป็นฆราวาสญาติโจมอีกส่วนหนึ่งอันนี้เราเป็นพระถึงจะเป็นพระครูบาอาจารย์ก็เถอะเราก็อยู่แบบพระแต่เราไปจัดการโน้นจัดการนี้ให้คนมาเกี่ยวข้องมากหลวงพ่อไม่สบายใจเหมือนกันเพราะหลวงพ่อเป็นพระป่าฮะอันนี้หลวงพ่อก็คิดไว้ในใจแต่ถึงยังไงเมื่อก่อนหนีไม่พ้นอีกเหมือนกัน เพราะศรัทธาญาติโยมลูกหลานที่เคยมาอยู่มาบวช ด, ด้วยมาเกี่ยวข้องด้วยพอถึงวันเกิดเขาถือเป็นประเพณีก็หลังไหลกันมาในเมื่อหลังไหลกันมาเราจะทำยังไงในเมื่อเขามาสู่วัดเราก็ต้องตอนรับขับสู้เป็นธรรมดาเหมือนกับแขกคนไปบาหาบ้านเราอย่างนั้นเราจะเฉยเฉยเฉยมยมยมก็ไม่ได้มีอะไรที่จะช่วยเหลือเจือจาน อันไหนจะอำนวยความสะดวกนี่แหละแต่มัทวีคูณขึ้นเรื่อยๆทีนีอแต่กรอนก็ไม่มากมาอยู่ใหม่ๆก็ไม่มากแต่เมื่อปีที่แล้วเห็นได้ชัดศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์เต็มศาลาไปหมดแล้วก็บริเวณของวัดก็แน่นไปหมดเพราะนั้นคนมาอย่างนั้นเราจะทำยังไงใหอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้อยู่ใกล้ หลวงพ่อแล้วนะที่นี่นะเอมื่ออยู่ใกล้หลวงพ่อก็เหมือนกับลูกของหลวงพ่ออหลวงพ่อก็จะต้องในพึ่งพาอาศัยพวกท่านทั้งหลายเหมือนกันทน่จะต้องดูแลแขกคนอย่างไรที่เขามาเกี่ยวข้อง เ, อเรื่องน้ําเรื่องท่า น, นั้นก็ไม่มีปัญหาเตรียมพร้อมมาแล้วแต่เรื่องห้อ ง, องน้ำห้องท่าเหล่านั้นก็ต้องคิดอีกเหมือนกันเอเรื่องอาหารการบริโภคที่พักพาอาศัยสิ่งเหล่านี้พวกเรา คนในบ้านคนในวัดก็ต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันแหละทนี่ดูแลสอดส่องตลอดถั้งความสะดวกปลอดภัยทุกอย่างพวกเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องกับวัดของเราหรือกลุ่มของเราหรือหมู่บ้านของเราอำเภอของเราอันนี้จะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกหมู่เหล่าจะต้องได้ช่วยกัน น, นี่ถ้า หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นฮะแต่ก่อนหลวงพ่อเห็นว่ามันคนน้อยน้อยก็ไม่มีอะไรวาคนน้อยมันก็ไม่ลําบากแต่มันคนทวีคูณเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่บวกธรรมดามันทวีคูณเมื่อปีที่แล้วเห็นได้ชัดแต่ปีนี้หลวงพ่อก็คิดว่าไม่น่าจะแพ้ปีที่แล้วนะแต่ถึงยังไงปีนี้ก็ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นทนะ่าน่ะเป็นวันศุกร์ ก็คิดว่าคนเขาคงจะถ้าไม่สมัครหรือว่าไม่ตั้งใจมาจริงๆเขาคงจะมาลำบากเพราะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์แต่ติยังไงคิดว่าพี่น้องประชาชนชาวบ้านเขคงจะมีอยู่แต่นี้หลวงพ่อเองปีนี้ก็เหมือนกับปีที่แล้วหมู่บ้านสี่หมู่บ้านที่อยู่หกหมู่บ้านที่ดูแลอุปถัมภ์ประทัก วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่ได้นิ่งดูดูดายว่าสังขาวัตถุคือการสงเคราะห์อนุเคราะห์คนในท้องถิ่นเราไปอยู่ณถิ่นใดอย่าให้เขาหนักใจอย่าให้เขาเดือดร้อนเนย่จะให้เขามีความลำบากกับเราหลวงพ่อเองมาอยู่ณนะสถานที่ใดแล้วมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อก็ได้คิดมีอะไรจะได้ช่วยเขาอย่างโรงเรียนอย่างเนี้ยอาคารเรียนอย่างเนี้ย โรงพยาบาลหรือว่ามีความจำเป็นเรื่องอะไรในชุมชนหลวงพ่อก็ไม่ได้นึ่งดูดายก็พยายามช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ใกล้ก่อนจากนั้นก็อยู่ไกลพกอยู่ไกลก็ที่รู้จักมักคุนมาก่อนก็อเอาสงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างโรงพยาบาลอะไรอุดร อ, อย่างนี้หรือว่าโรงเรียนสถ า, านที่ต่างๆที่มีความจำเป็น ไม่ใช่แต่เจ้าของไม่ใช่แต่เฉพาะโรงพยาบาลโรงเรียนฝ่ายวัดก็เหมือนกันเมืองวานวันกอนก็พระมาจากนู่นมาจากมกดาหารอยู่ในปานรลงพงภยัยตีนเขาภูพานบอกว่าถัางน้ำมันพังถังน้ำแตกอยากจะได้ปัจจัยขอหลวงพ่อมาขอหลวงพ่อประมาณสามหมื่นห้าไปซื้อถังน้ำพลาสติก สองใบน้ำไหลมาจากเขาเพื่อจะได้ใช้ผ้าเนนอดูดกันสองสามองค์เนี่ยองค์หนึ่งก็บอกว่าเพราะไม่ได้มุงไว้ทำให้พลาสติกมันกรอบอ่อหลวงพ่อเออให้ไปสี่หมื่นกว่าบาท อ, อย่างเนี้ยคือปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ให้มีพระเนนเกี่ยวกับความจำเป็น จะตุปัจของศรัท ธ, ธาญาติโยมที่ได้มากหลวงพ่อลักษณะอย่างนั้นแต่คราวนี้วันเกิดของหลวงพ่อก็มีผู้แสดงความจำนงว่าจะมาจะแจกอะไรหลวงพ่อนะในงานวันเกิดเออหลวงพ่อเออเพราะพี่น้องประชาชนศรัท ธ, ธาญาติโยมใส่บาตรพระสงฆ์ทุกวันแต่ปีหนึ่งวันเกิดของหลวงพ่อก็น่าจะมีการแจกอะไรให้ เป็นน้ำใจของลูกหลานสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะถึงจะไม่มากก็คือของหลวงพอ่อให้เฉลีย่ยเฉลือเผื่อแพร่กันเอแต่ถ้าคำว่าเราจะแจกว่าจะให้แต่คนจนคนรวยไม่ให้เราก็ไม่รู้ว่าใครเขาว่าจนทุกคนเพราะไม่ใช่เศรษฐีร้อยล้านพันล้าน่เออแต่ก็มีอยู่มีกินเอจะว่ารวยก็ไม่ใช่ เพราะนั้นจนด้วยกันทุกคนนั่นแหละเอาแจกให้ทั่วถึงทุกคนในครอบครัวกอในท้องถิ่นของเรา6หมู่บ้านฮะหลวงพ่อได้ให้เตรียมศรัทธา ญ, ญาติโยมแจกของปีนี้ะข้าวสารเท่าไหร่6 6กิโลมาแล้วก็น้ำปลาหนึ่งขวดน้ำตาลหนึ่งกิโลน้ำมันพืช เก็บไปแล้วก็หลายเงินเหมือนกันนะเพราะมันทั้งหมดมันแปดร้อยกว่าครอบครัวหกหมู่บ้านแปดร้อยกว่าครอบครัวมก็เป็นเงินออกมาก็หลายแสนเหมือนกันนี่แหละวันที่ยี่สิบหกนี่ก็คงจะให้เวลาของมากระลงหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านจากนั้นก็มีครูปองให้พูยบ้านเป็นผู้แจกให้แก่พี่น้องประชาชนท้าวากรที่จะแจกนั้นก็ได้ประกาศให้เขาทราบก่อนว่าอันนี้คืออะไร แจกเพื่ออะไรไม่ใช่แจกเพื่อหาเสียงนะแจกด้วยน้ำใจสังหาวัตถุการอยู่ด้วยกันวัดวาศาสานาพี่น้องประชาชนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อเรามาอยู่กับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเราก็ให้เป็นส่วนกลางอย่างสร้างอาคารเรียนให้กับเขาด้วเครื่องอำนวยความสะดวกในชุมชนของเขาบางทีเขาขาดเืง เครื่องสูปน้าเบิก อ, อะไรบ้างเราก็ต้องหาให้ในเมื่อเขามาขอเมื่อเรามีพอเป็นไปได้แต่อันนั้นคือสาธารณะแต่บัด น, นี้เราเอาให้ทุกครัวเรือนแปดร้อยกว่าครัวเรือนถึงจะมีน้อยก็ให้ได้ให้คดให้ทั่วถึงถือว่าเป็นน้าใจของพระสงฆ์ที่วันเกิดของหลวงพ่อแจกให้แกชุมชนอันนี้หลวงพ่อก็จะแจกวันที่ยี่สิบหกที่จะถึง อันนี้ก็คือการช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์พี่น้องประชาชนการอยู่ด้วยกันมากมายพี่ได้สองน้องได้หนึ่งสังคหาวัตถุคือการสงเคราะห์ซึ่งกันละกันอันนี้คือวัฒนะคือการเสียสละการเสียสละเราอยู่ในชุมชนใดถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ เป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายเป็นพ่อเป็นแม่เราก็สงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้ที่อยู่ใกล้เราลูกหลานของเราเท่าที่มีที่ความจำเป็นที่ว่าเรามีฐานะในระดับไหนถ้าในระดับหมู่บ้านบางทีเขาไปมีผลละหมากลากไม้ในสวนหมากเอากรแบงให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานก็อย่างในระดับหนึ่งลูกหลานกันะ เห็นว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องแบ่งผลลักรา락ไม้ให้กินขณะที่มีดอกผลที่จะได้ครับเขาก็อุ่นอกอุ่นใจในระดับหนึ่งเพ อ, อะไรเพราะการเสียสละแต่ถ้าว่ามีจนล้นหลามแต่ก็ไม่รู้จักแบ่งให้ใครกินใครมาขอมนุษย์หน่อยเดียวกบบทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งพี่ทั้งน้องทั้งลูกทั้งหลาน แล้วก็ผลละหมากรากไม้อะไรกันเน่าทิ้งเกินไปหมดแต่ไม่ให้ใครกินถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นใครจะเข้าไปใกล้เนี่ยเพราะเหตุไรเพราะว่าไม่มีน้ำใจไม่มีเมตตาไม่มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ในวงศาคณะญาติสิ่งเหล่านี้พวกเราอยู่ณนะถิ่นใดที่ใดการสงเคราะห์อนุเคราะห์จำเป็นสรุปแล้วคือสังคะ ว, วัตถุในหลักของพุทธศาสนา แบ่งปันเจรจาวาจาไพเราะอ่อนหวานให้รู้จักการบุคคลสูงต่ำจากนั้นก็มีน้ำใจมีเมตตาต่อเพื่อนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงนี่แหละนนคือการสงเคราะห์จากนั้นก็เมื่อการอยู่ด้วยกันมีการสงเคราะห์้วยกันแล้วก็มีกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันตั้งแต่สอคนขึ้นไปต้องมีกฎระเบียบ มีสินแล้ใช่นี่นี่บอกในหลักของพระศาสนาว่าสินคือกฎระเบียบเนี่ยเราจะไม่พูดอะไรทำให้เขาเสียอกเสียใจหรือไม่เบียดเบียนเขาไม่ฆ่าเขาไม่ขโมยเขาไม่ประพฤติให้ให้ครบศิษย์สามีภรรยาลูกหลานของเขาไม่โกหกเขาและไม่ดื่มสุราเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อดื่มสุราแล้วเมื่อขาดจิตแล้ว มันพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันทำไปทั้งหมดทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่พอเหตุอะไรเพราะตัวเองขาดสตินี่แหละคือกฎระเบียบในการอยู่ด้วยกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอีกต้องให้สํารวมใจทุกคนมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจะคิดอะไรต้องคิดให้ดีเมื่อคิดดีแล้วทาออกไปก็ดีจะพูดออกไปก็พูดดี ว่าไหร่เพราะคิดคิดดีเป็นผู้มีศีลธรรมเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับมาเป็นเครื่องชี้นำชีวิตคือจะคิดยังไงก็คิดตามแนวแถวพุทธที่พระพุทธเจ้าพาคิดยังไงพาทำยังไงพาพูดยังไงในพระไตรปิฎกหรือในตนรรำรับกําราที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำมาสอนพวกเราเราก็นานั่นแะ นำแนวแถวของพระพุทธเจ้านั่นแะแนวธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนพระในพระไตรปิฎกนะั่นแหลหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราอยากคิดฆ่ากันเนอะร์อยากคิดขโมยกันเนอะให้เคารพสิทธิสามีภรรยากันเนอะอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงกันเนอะอย่าไปดื่มเหล้าอย่าไปกินเหล้านะยาเสพติดทั้งหลายแล้ว จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะจากนั้นครอบครัวเดือดร้อนจากนั้นวงศาคณาญาติชุมชนกลุ่มนั้นเดือดร้อนนะอันนี้ก็คือท่านสอนเอาไว้อันนี้คือกฎระเบียบส่วนแนวความคิดคิดยังไงถึงจะเป็นศีลเป็นธรรมคิดยังไงจึงจะมีความสุขในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าธรรสอนให้มีหลักนะคนเราในท่าว่า เราปล่อยปะละเลยเราไม่คิดเราไม่สำรวมใจของเราเนี่ยแต่ละวันเนีดเออละเฮยลอยลมปุงฟุ้งซ่านทั้งวีทั้งวันคนนั้นแปลว่าจิตไม่มีหลักใจไม่มีหลักถ้าใจไม่มีหลักแล้วขนาดเป็นหนุ่มจึงขนาดนี้ขนาด น, น, าดนี้เมื่อเท่าแกชราเราไปที่ไหนไม่ได้อยุดตามลาพังนั่นแนหะจิตใจจะว้าเหวอ้างว่างเงียบเงา ซึมเศร้าโรคซึมเศร้าจะเข้ามาเยือนถา้าเราไม่มีหลักแต่ถา้าเราจิตใจของเรามีหลักเนี่ยเราศึกษาอย่างเนี้ยอ่านไปเรื่อยหนังสือธรรมะจากนั้นก็ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์จากนั้นก็ฟังเข้าไปแล้วก็นำมาคิดการกลองไตรตรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อจะแนะธําให้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวเนี่ยนะหลวงพ่อว่า หลายรถหลายชาติที่ท่านแนะนําสั่งสอนอันนี้ไม่ผิดถ้าฟังองค์อื่นหลงพ่อทำไมาวาหรอกถ้าเรารู้จักแยกแยะนะถ้าฟังองค์ไหนก็ได้ถ้าเรารู้จักแยกแยะดีทั้งนั้นแหละอันนี้ท่านพูดเองไม่ท้าเห็นแก่ตัวหรือพันพูดจะได้เข้าข้างตัวเองหรือเข้าเนเข้าข้างกลุ่มของตัวเองอันนี้เอออันนี้ท่านพูดเป็นกลางอันนี้ท่านพูดเป็นธรรมนะแล้วก็จะแยกแยะได้แต่ลุงตามมหาบวนให้ฟังเอาไว้ ท่านพูดในเรื่องไหนออกมาเพราะท่านเป็นธรรมให้ฟังท่านรู้ทั้งคดีโลกและคดีธรรมถ้าพวกเราศึกษาให้ดีแล้วนะ่ะท่านพูดอะไรออกไปเป็นแนวทางสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อท่าเขาว่าถ้าจะให้พวกเรายึดยครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะฟังธรรมเทศนาองค์ไหนหลวงพ่อจะแนะนําองค์หลวงตามหาบัวนะ แล้วก็สถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาที่ครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่ท่านได้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเกือบทุกอง์บางทีก็หลวงปู่ข่าวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศหลวงปูงป่ต่างๆที่ออกมาในสถานีวิทยุเสียงธรรมโดยมากครูบาอาจารย์เหล่านั้นเมื่อท่านหลวงรับดับขันไป อธิธาต์คือกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นก็แสดงว่าธรรมเทศนาหรือคาพูดของท่านล้วนแล้วจะเป็นธรรมเพราะท่านล่วงรับไปแล้วก็กระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุนี่ยคือพระรหันสพูดอย่างลวกลัสร์คือกระดูกของพระรหัสเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วกระดูของท่านก็จะเป็นอย่างนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือแนวทางสําหรับพวกเราจะยึดที่นีอท่านสอนยังไง เรื่องสมาธิการทำจิตใจยังไงจึงให้สงบเราก็พยายามนั่งภาวนาแต่ละวันวันละสิบยี่สิบนาทีสามสิบนาทียี่สิบสี่ชั่วโมงนะ่เราจะนั่งภาวนาสักสามสบนาทีได้ไหมตั้งนาฬิกาก่อนใหม่ใหม่ๆ่ถ้าเรานั่งไม่ไม่ได้ทนไม่ได้นานก็นตั้งนาฬิกาใช้สักสามสิบนาทีทดลองเลยสินั่งตามลำพังไม่ให้มีใครเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าเราอยู่ในบ้านถ้ามีห้องแอร์กันก็ไปนั่งในห้องแอร์ตามลําพังปิดประตูแล้วก็นั่งดูใจของตัวเองพุโทโธพุโทโธพุทธโธได้เวลาก็ไปออกมาอันนี้แหละคือการเป็นการฝึกฝึกให้อยู่ตามลําพังฝึกดูใจของตนเองเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานเท่านี้นพอจิตใจสงบนั่นแหละใจของเราเริ่มมีหลักแล้วนะเท่านี้นเราจะอยู่ตามลําพังก็ได้หลูกหลานมาเกี่ยวข้องก็ได้ไม่มากก็ได้ไม่เป็นไร พอใจของเราอยู่กับใจไอพอเราเกิดมาเกิดมาคนเดียวเราจะพาใครไปด้วยละ่ะเรามาคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวะเพราะนั้นอัตติอัตโนนาโถเนี่ยทำคําสอนของพระพุทธเจ้าตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหิหนาโถปรโรชิยานคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้เนี่แหละเมื่อหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามันมีหลายระดับนทำคําสอนของพระเจ้ามีหลายระดับ พูดอย่า ง, งั้นได้ระดับต้นๆการอยู่ด้วยกันมีการสงเคราะห์กันระดับมามีกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันจากนั้นให้ดูใจของตนเองไม่ใช่ดูธรรมดาเลยดูกระทั่งว่าใจของเราเนี่ยมีอะไรใจของเราถึงนำไมจึงไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวพอในสุพระพุทธเจ้าสอนว่าทำคำสอนของเราตถาคตเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสรุปแล้วมารวมลงแล้วคือสอนให้ปล่อยวาง ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้ถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงทําไมพระพุทธเจ้าสอนที่แรกก็สอนให้หมีกฎมีระเบียบมีการยึดให้รู้จักสูงรู้จักต่ําให้รู้จักการดำรงชีพแต่ผลสุดท้ายทําไมพระพุทธเจ้าเปล่อยสอนให้ปล่อยวางฮหสิ่งเหล่านี้พวกเราจะต้องศึกษานะต้องศึกษาตามไม่จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนปล่อยวางกระทั่งใจกระทั่งผูร้รู้รู้ก็ปล่อยวางอกีก ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งตัวผู้รู้อีกมันละเอียดกว่านั้นอีกจนไม่ไม่มีจนไม่มีอะไรสมมุติจะเข้ามาเปรียบเทียบได้ในจุดนั้นนั่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้น่ะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอันนี้พวกเราจะต้องศึกษาเพราะวิชาในโลกนี้มีมากมายอย่างนาซาเขาตั้งมากี่ปีเขาศึกษาเรื่องจักรวาลเรื่องพระาทิตย์เรื่องพระจันทร์ เรื่องดาวตรงต่างๆไไปถามครัวด้สิเขาศึกษาถึงครึ่งได้อย่างไรดาวในท้องฟ้าเนี่ยยิ่งกว่าอะไรเนี่ยเขาถึงศึกษาได้เพียงสองสามดวงนั่นเองจํานวนที่เขาไม่ได้ศึกษานะ่ยมีมากนี่แหละโลกทั้งโลกไม่มีที่สิ้นสุดที่จะต้องศึกษานี้ก็เหมือนกันเราศึกษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนีที่ท่านศึกษาก่อนท่านก็พ้นทุกไปก่อนแล้วหมดกิเลสไปก่อนแล้ว พวกเราเกิดจะต้องศึกษาจัดการยังไงทํายังไงที่จะชำระใจของเราให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนเป็นหน้าที่ของพวกเรานะคณะสัตยาญาิโยมลูกหลานทุกคนนะอันนี้เป็นการบอกกล่าวเป็นการแนะนำชีวิตของพวกเราเนะี่ยหลวงพ่อย้ำแล้วพูดอีกเป็นของไม่เทียงแท้แน่นอนไม่รู้จะวันไหนแฮ้ไม่รู้จะจากโลกวันไหน แต่เราไม่ควรจะประมาทนอนใจจนเกินไปควรจะสั่งสมคุณงามความดีอสรุปแล้วก็คือว่าตายแล้วไม่สูญนะหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าถนะ้ามาตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะวิญญาณคือตัวผู้รู้รรอย่างนึกคิดตัวตัวนึกคิดเนี่ยนไะอท้ที่ตัวสั่งสมองให้พูดนั่นแหะอย่างหลวงพ่อพูดนั่นก็คือตัวตัวนึกคิดเนี่ยสั่งสมองออกมาให้พูดนั่นนี้แหละตัวนั้นละ่ะ ตัวที่สั่งสมองน่ยตัวนั้นล่ะไม่ตายฮห้ตัวนั้นละ่นนละจะไปพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆจะไปตกนรกหมกไหมจะไปเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิชันไปเกิดเป็นพระอินทพระพรห ม, มเป็นเทวบุตรเทวดานั่นแหละตัวนั้นหละ่ะร่างกายเนี่ยถึงจุดจบเนี่ยไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้เรื่องร่างกา ย, ยตายด้วยกันทุกคนแต่ดวงวิญญาณดวงนั้นละ่ะ จะเป็นคลังของบุญคลังของบาปถ้าเราทากรรมชั่วกรรมชั่วความชั่วก็จะเข้าไปอยู่ในจุดนั้นถ้าเราทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลคือคุณงามความดีที่เป็นนามธรรมจะเข้าหลังไหลเข้าไปสู่ใจคือนามธรรมดวงนั้นถ้านามธรรมดวงนั้นมีบุญหรือมีบัปสองอย่างมีบุญหรือมีบัปถ้ามีบุญ บุญก็จะพาไปในสู่สุขคติไปเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมไปเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าว่าบาปอกุศลที่ทําความชั่วเข้าไปในสู่จุดนั้นจุดนั้นใจลวงนั้นก็นหนักอะไรลงไปทางต่ําอาจจะไปตกนรกหมกไหมซะก่อนจากนั้นก็มาเกิดเป็นสัตว์รี่ฉานช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่สัตว์นานาชนิดเกิดได้ทั้งนั้นนี่แหละพระพุทธองค์ท่านมองท่านรู้ท่านเห็น ท่านได้จัดสรู้ ร, รมเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านรู้ว่านี้เนี่ยพวกท่านทั้งหลายต้องดูนะใจดวงนั้นะไม่ศูนย์นะเกิดอีกนะแต่ว่าโจทตัวที่จะทำไปเกิดนั้นคือกรรมกรรมคือการกระทำถ้าทำดีพวกท่านทั้งหลายจะไปในทางดีถ้าพวกท่านทั้งหลายคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนั่นแนะ่ะความชั่วทั้งหลายมันจะทัทัก มันจะทะเข้าไปกดทวงใจของพวกท่านตัวรู้ๆนะจะไปทางต่ำจะไปสู่ทางต่ำนรกหมกไหมไปเกิดเป็นสัตว์เป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นได้ทั้งนั้นเกิดมาในโลกเนี่ยเพราะงั้นพวกเราอยู่ในได้ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วขอให้พวกเราศึกษาและก็ปฏิบัติตามธรรมคำสอนพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญในวันนี้ก็ให้แนวความคิด ในแนวหนึ่งขอให้พวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัตินะคิดกันกลองไต่ตองต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร